hmm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 ความแก่ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่เพราะว่ากูแกนะ่กูเจ็บหรือแม้กระทั่งกูตายนะหรือกูกำลังจะตายเนะี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ใจมากเลยไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันโดยแล้วแต่มีที่มาจากความรู้สึกปรุงขึ้นมาในใจว่ากูปวดกูเจ็บกูทุกข์นะกูสูญเสียไอ้ตัวกูเนี่ยสำคัญมากเลยมันเป็น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 เราอาจจะเคยได้ยินวลีหนึ่งนะที่ถ้าาจารพุทธทาสท่านพูดอยู่บ่อยๆนะโดยเฉพาะในช่วงปลายๆช่วงของท่านก็คือคาว่าตายก่อนตายตายตัวแรกนี่หมายความว่าตัวกูตายเป็นคำแนะนำเป็นคำเป็นคสอนว่าให้ฝึกให้ฝึกปฏิบัติจนกระทั่งตัวกูมันตาย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 ไม่ว่าเราชี้ตัวเนี่ยตัวเราอยู่ตรงไหนจะชีส้สิไอ้ที่ชี้นี่ไม่ใช่ตัวเราเนีถ้าไม่ใช่หัวก็เป็นหน้าอกเป็นขาเป็นมือและที่ชี้เ่ยถามว่าหัวเนี่ยลองชี้หัวใชเอาความจริงนเนี่ยไอ้ที่ชี้นี่คือขมับหรือจ ม, มูกหรือปากแม้คําว่าหัวเนี่ยน่ยนะมันก็ไม่มีนะชี้ไปที่มือใชเอาที่ชี้เนี่ยคือ น, นิ้วขวานิ้วชี้นิ้วซ้าย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 เห็นความปวดไม่เป็นผ like ู้ปวดเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธตรงนี้แหละนะที่ทำให้ความปวดมันทำให้ใจทุกข์ไม่ได้ตรงนี้แหละที atte ่ทำให้ความโกรธมันทำให้ใจทุกข์ไม่ได้ไอ้ที่ทุกข์ใจเวลาโกรธนี่นะเพราะว่าไปยึดว่าเราโกรธนะมันมีความสึกสำคัญมากหมายว่าความโกรธเป็นของเราแต่พอเราเห็นนะ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 ได้เป็นปลากระทรวงได้แต่งตั้งนะเป็นพระมีสัมมนาศนะเป็นเจ้าคุณเป็นสมเด็จนะแต่ไม่เข้าไปเป็นสิ่งนั้นนะก็ทำให้จิตใจเป็นอิสระหลวงพ่ อ, พอเขียนท่านผูดอีกนะอีกอย่างหนึ่งว่าเนี่ยไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรหมายว่าได้อะไรมานะ หรือมีอะไรก็ตามก็ไม่เป็นสิ่งนั้นได้ตำแหน่งใดมาได้เจ้าคุณได้เป็นด็อกเตอร์ได้ด็อกเตอร์มานะก็ไม่เป็นไม่เป็นสิ่งนั้นก็คือไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่านว่าฉันคือด็อกเตอร์ฉันคือเจ้าคุณฉันคือที่ปดีฉันคือประลัดกระทรวงฉันคือผู้จัดการอันนั้นเป็นแค่สมมตินะ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 เด็กวัดก็ต้องลงไปเข็นเรือเข็นเท่าไรเท่าไหร่ก็ไม่ขยับหลวงพ่อโตก็เลยลงไปช่วยเข็นด้วยเอ้ยชาวบ้านเห็นก็แตกตื่นกันใหญ่เลยตะโกนขึ้นมาว่าสมเด็จเข็นเรือโว้ยสมเด็จเข็นเรือโว้ยหลวงพ่อโตท่านได้ยินท่านก็เลยพูดขึ้นมากับชาวบ้านกลุ่มนะว่าฉันไม่ใช่สมเด็จนะฉันชื่อครุโตสมเด็จอยู่โน่นนะชี้ไปที่พัทยศ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 มีใครมาชนท้ายนิดหน่อยี่โอ้ยโกโรธเลยนะไปลากคอมาตบมาต่อยเนะี่ยอย่างที่มีข่าวคลิปวิดีโอนี่นะดารานะห่วงรถมากนะมีคนมามาชนท้ายรถนี่โกโรธมากเนะี่ยไปลากคอคนนั้นมานะมาด่าแล้วก็ต่อยปรากว่าเสยผู้เสียคนไปเล ย, เ, ลยเพราะคนถ่ายคลิปวิดีโอได้ไปไประจานทางเพจ a ฟ e b o o k รถไม่ใช่เป็นของเขานะกขาเป็นของรถเป็นแล้วเขาไม่ได้ขับเขาไม่ได้ขับรถนะั่นรถขับเขาเขาก็เลยเขายอมยอมทำผิดยอมทำสิ่งที่ไม่สมควรเพื่อรถเสร็จแล้วก็เลยเดือดร้อนเลยเนี่ยอันนะี้เรวก็ว่าไม่ได้ใช้มันนะปล่อยให้มันใช้เรามันไม่ใช่ของเราเราเป็นของมันทันทีที่เรายื่นมันเป็นของเรานะเราเป็นของมันทันที